ปัจจุบันอันเป็นทิพย์โดยท่านวาวชิราเมธีบรรยายนะเมืองเรติงสหาราชอาณาจักรเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดฟังด้วยความเคารพนบบัดนะ น, นี้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 ปรุงอาหารแห่งความทุกข์ให้ตัวเองไม่ถนัดในการปรุงอาหารแห่งความสุขป้อนให้ตัวเองทงั้งทั้งเร่เราสามารถปรุงให้ตัวเองสุขได้พอๆกับเทพปรุงให้ตัวเองทุกทุกๆครั้งที่เราปรุงให้ตัวเราทุกก็ <c oughs> เหมือนเราเนี่ยหยิบเข็มขึ้นมาแทงตัวเองปรุงให้ทุกครั้งหนึ่งก็แทงตัวเองไปเล่มหนึ่ง ในหนึ่งวันเราปรุงให้ตัวเองทุกพันครั้งด้วยพันเรื่องหรือเรื่องเดิมพันครั้งถ้าเราตีราคาของความทุกข์ที่เราปรุงให้ตัวเองทุกนั้นออกมาเป็นเข็มแต่ละเล่มที่หมอฟังเข็มใช้ปักลงไปทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะในหนึ่งวันน่ยคนที่ปรุงให้ตัวเองทุกโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอย่างนั้น คงจะถูกเข็มแทงจนพุนทั้งร่างอัตามาภาพมีประสบการณ์ไปให้หมอจีนฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะหมอจัด ก, การฝังตั้งแต่หน้าผากลงไปจนถึงปลายเท้าอัตามาภาพ ร, รู้สึกตัวเองเหมือนปลาที่วางอยู่บนเข็งมีเข็มวางพุนไปหมดแล้วหมอก็ให้นอนนิ่งๆยี่สิบนาทีต้องนิ่งจริงๆ เพราะว่าขยับไม่ได้เลยถูกตรึงด้วยเข็มผ่านไปยี่สิบนาทีหมอกลับมาแล้วอัตมาคิดว่าสบายแล้วเสร็จแล้วหมอบอกว่านี่มลพลิกครับทำไมหมอข้างหลังยังไม่ได้เริ่มเลยอัตมาถูกพลิกเหมือนปลาที่อยู่บนจานเวลาเราทานข้างหนึ่งเสร็จแล้วมันจะเหลือข้างล่างใช่ไหมเราก็ต้องพลิกอีกข้างหนึ่งขึ้นมาทานหมอจับอัตมาภาพพลิก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 ใครมาใกล้เราก็เหมือนเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เขาจะมีความสุขมากในทางกลับกันถ้าเราปรุงให้ตัองทุกใครมาใกล้เรานะพอมาใกล้บุ๊บเราสลัดนิดเดียวเข็มทิมเขาเลยเคยเห็นแม่นไหมเม่นน่ะโยมลองไปใก ล, เล้เดี๋ยวเขาสลัดข น, น, น ท, มนมมขนทิมหน้าทิมตาเขา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 คนคุยแต่เรื่องไม่ดีทั้งทั้งที่ข้างหน้านี้มีแต่เรื่องดีๆเรากำลังจะดีของเราอยู่แล้วนะเพื่อนดึงไป <c oughs> เราก็ตกตกลุมเพื่อนตามเพื่อนไปทุกอีก ท, ทั้งทั้งนี้ของดีอยู่ตรงหน้าแต่เราก็หมดโอกาสที่จะได้ชื่นชมฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรุงใจให้ตัวเองทุกโดยธรรมชาติฉันได้ในทำนองกลับการเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรุงให้ตัวเองสุขได้ฉันนั้นมืนกน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 เราแต่ละคนจะเปรียบไปก็เหมือนกับเนื้อที่มาติดบ่วงของนายพรานบ่วงนั้นล่ามข้อเท้าเอาไว้ถึงแม้เรามีศักยภาพที่จะเดินและวิ่งแต่เราก็วิ่งและเดินไม่ได้และพอนายพรานไม่มาแก้บ่วงสักทีเราก็ติดอยู่อย่างนั้น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 มีชีวิตอยู่กับวิธีคิดที่ผิดๆซึ่งทำให้ตัวเองนั้นจมอยู่ในความทุกข์บางคนหลังนาสหหัดถึงขั้นเป็นโรคจมเศ้าจึงไปหาหมอหมอก็ให้ยามาบําบัดแต่เป็นการบําบัดตรงไปที่ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อการปรับแต่งเคมีในสมองแต่ไม่ใช่ที่ต้นต่อคุณป่วยที่เจิบ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 วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจิตแท้ๆเต็มที่ไปได้แค่การวัดคลื่นสมองยังไปไม่ถึงตัวจิตและนั่นคือข้อจำกัดของเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนมต่างก็ยอมรับในข้อจำกัดนี้จึงหันมาศึกษาสัจธรรมทั้งพุทธทั้งเต๋ดังมีผลงานเล่มหนึ่งของฟิจจอบคาร์ปราออกมาชื่อว่าเต๋าแห่งฟิสิกส์รูเทอร์นิงพ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 ความคิดอย่างหนึ่งก็คือความคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ได้แก่ความคิดถึงเรื่องราในอนาคตมนุษย์ตกอยู่ในอดีตและอนาคตอย่างนีน้เขาจึงแทบไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆในปัจจุบันขณะดังนั้นทั้งๆที่เขามีบ้านมีรถมียศทรัพย์อานาจพร้อมทุกอย่างเลยแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆเขาเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้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 มีชีวิตคือยังไม่ตายแต่เขาเนั้นไม่มีชีวาคือความสดชื่นรุ่นเย็นความสดชื่นรุ่นเย็นนั้นก็หมายถึงว่าการมีสภาวาจิตที่มีความโปร่งความเบาความสบายความรู้สึกตัวทั่วพ ร, รอ้อม <c oughs> ดังหนึ่งในเนื้อในตัวนั้นมีฐานน้ำผู้ น, น้อยพุทธพรายออกมาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราจะมีความสดชื่นรุ่นเย็นอย่างนั้น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 เราทุกคนมีลมหายใจแต่น้าเสียดายตอนที่เรามีลมหายใจเราไม่เคยตระหนารู้ถึงลมหายใจนะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราจะตระหนารู้ก็ต่อเมื่อเราเป็นวัดเป็นหอบเหิดหายใจไม่สะดวกทีหนึ่งถึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ลมหายใจมันสำคัญนะตัวเครื่องช่วยหายใจครอบครึ่งปากเครื่องจมูกเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ยลมหายใจสาคัญเหลือเกิน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 ลมหายใจที่มาพร้อมกับความรู้สึกตัวลมหายใจที่มาพร้อมกับความตื่นรู้นั้นเป็นทานน้ำผู้แห่งความสุขที่แสนวิเศษอย่างยิ่งหลายครั้งที่ตรรมภาพตามดูตามรู้ลมหายใจแล้วเกิดสภาวะผ่อนคลายสดชื่นรื่นเย็นและโปร่งเบาอรรมภาพถึงกับต้องหยุดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างวางตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าสภาวะแห่งความสุขที่เราได้รับนั้น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 บริโภคทุกอย่างที่ขวางหน้าทําดังหนึ่งว่าทรัพยากรนั้นจะกินจะใช้กันไปไม่หมดไม่สิ้นทางดังนี้ในความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างร้อยรออย่างรวดเร็วมากฮอวกิงจึงเสนอว่าเราจะต้องมองหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่เป็นบ้านสำรองของมนุษยชาติอตาจารย์มัพเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับฮอวกิงเพราะอามาภาพเชื่ออย่างยิ่งว่า ถ้าคนมนุษยชาติไปอยู่บนดาวดวงใหม่ด้วยนิสัยแบบเดิมอีกสักร้อยปีดาวดวงนั้นก็จะถูกทําลายฉะนั้นแดนที่เราจะย้ายที่ทําลายจากโลกใบนี้ไปหาโลกใบอื่นเรื่อยไปตามลําดับทําไมเราไม่มาทําลายสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการทําลายเรานั่นก็คือกิเลสในใจเราเราควรจะมาทําลายต้นเหตุแห่งความ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 คิดถึงเเด็ดคิดถึงเนอานาคตมีพระรูปหนึ่งเข้ามาบวชสมเดือนก่อนออกพรรษาท่านก็จินตนาการว่าถ้าท่านศึกไปแล้วท่านจะต้องแต่งงานวันหนึ่งท่านกําลังถวายงานพัดให้หลวงลุงหลวงลวงุลงนั่งสมาธิอยู่ท่านก็ยืนพัดอยู่ข้างหลังด้วยพัดใบตานพัดไปจินตนาการไป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 ไหนลูกเธออยู่ไหน อ, อยู่ในจินตนาการครับหลวงลุงเอา้าลูกเธออยู่ในจินตนาการแล้วที่ฉันถูกตีนี่มันในจินตนาการหรือในความจริงจริงก็รับหลวงลุงหลวงลุงจึงบอกว่านี่แหละเห็นไหมตัวเธออยู่ที่นี่แต่ใจเธออยู่ไหนพราหมายจริงตอบว่าครับหลวงลุง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 แล้วทั้งสองรูปเดินไปถึงสี่แยกใจกลางเมืองเห็นผู้หญิงโฉมสะครารคนหนึ่งอยู่ในชุดกิโมโนสวยงามมากเธอยือนละล้าหลังไม่กล้าข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักและน้ํำจืงนองขณะที่เธอกําลังยืนล้าล้าหลังว่าจะข้ามไม่ข้ามดีไหมเพราะกลัวชุดจะเปียกหลวงพ่อเจ้าวัดก็เดินฉับๆไปหาเธอแล้วอุ้มเธอด้วยสองมือหมับ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 เสียงก้องกังวันอยู่ในสมองของท่านทั้งคืนหลับไม่ลงจนกระทั่งถึงดีหนึ่งท่านตัดสินใจหักเล็บเดินไปหาหลวงพ่อที่ห้องข้อประตูก็ก็ ก, ก, ก็หลวงพ่อเ ง, งเงียตื่นขึ้นมาเปิดประตูอะไรลูกหลวงพ่อครับผมหลับไม่ลงครับหลวงพ่อทาไมลูกเมื่อกลางวันนหลวงพ่อไปอุ้มผู้หญิงได้ยังไงะครับหลวงพ่อ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 ถ้าหนุ่มรูปนั้นสาโตริสว่างโพลง่งเกิดการตัดสรูนแน่นอนตอนมานั้นท่านหนักอึ้งเต็มหัวเลยพอพระอาจารย์ตีแสงหน้าอย่างนี้ครับท่านยังอุ้มอีกหรือเท่านั้นแหละเพล่ะเลยเหมือนจุดไฟในความมืดเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางให้แก่คนหลงทางท่านจับประเด็นได้ว่าท่านอุ้มความคิดในอดีตมาตลอดเห็นได้อย่างว่านี่คือตัวอย่างของคนส่วนใหญ่ ความทุกข์หลายอย่างปัญหาหลายเรื่องมันจบลงไปแล้วแต่เรายอมให้จบไหมเราไม่ยอมให้มันจบเราเนี่ยเป็นคนที่ตระกองกอดปัญหาตระกองกอดความทุกข์ทั้งๆ้งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเราก็ทนุถนอมมันนะเอาความทุกข์ไปใส่ขวดโหลดองเข้มมั้ยัอดีคืนดีก็เปิดจุกหยิบใส่ปากเคี้ยวกินอยังไงเด็ อ, อร่อย สมัยเป็นเด็กอันตรายครับเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายอ่ะกลางวันใ้ควายเคี้ยวกินหญ้าพอกลางคืนควายจะขยอกหญ้าออกมาเคี้ยวเรียกว่าควายเคี้ยวเอือ้องคนเราบางคนก็ฉันนั้นกลางวันทํางานเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ทันได้คิดกลางคืนพอเขานอนปับ๊บมีเวลาแล้วขยอความทุกข์ออกมาเคี้ยวควายเคี้ยวเอื้องคนเคี้ยวทุกข์ใช่ไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟัง ตอนนี้เป็นคนที่รวยระดับพันล้านคนประเทศไทยเป็นนักธุรกริจอย่างที่รวยมากสร้างตัวจากสองมือเปล่ามาปฏิบัติธรรมกันแต่ภาพแล้วเก็มาเล่าถวายข้อมูลพระอาจารย์ในชีวิตนี้โยมตอนนี้หมดห่วงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ยังแค้นไม่หายนึกยังไงก็แค้นไม่หายเรื่องอะไรโยม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 โยมถอนเงินล้านหนึ่งเอาใส่กระเป๋านะเป็นฟ้อนย่าเลยไปหามันที่บ้านเกิดสั่งอาหารมาเลี้ยงกินข้าวกับเพื่อนยังมีความสุขมากเพื่อนเขาก็ช็อกมากเลยว่าลมอะไรพัดโยมกลับไปหาเขาไม่เจอกันเป็นสิบปีกินข้าวเสร็จโยมก็บอกว่าว น, นี่แกช่วยฉันนับเงินหน่อยสิเงินหนึ่งล้านให้เพื่อนนับ <c oughs> แล้วแกนับไปนะเดี๋ยวฉันมาฉันออกไปโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง โทรศัพท์เสร็จกลับก็มาหาเพื่อนได้เท่าไหร่แกฉันว่าล้านหนึ่งเนอะแกว่างป่ะทําไมพรุ่งนี้ฉันจะมาให้แกนับอีกเพื่อนช็อกแกเยอะขนาดนี้เลยหรือฉันนำไมาให้แกนับชั่วโมงละล้านก็ได้จริงหรือทําไมแกรวยอย่างนี้ล่ะแกรวยได้ยังไงเธอก็บอกรู้ไหมทําไมฉันถึงรวยเพราะแกไงฉันไีทําอะไรให้แกรวย ตอนอยู่ประหกแกดูถูกฉันว่านำหน้าอย่างฉันชาตินี้จะไม่รวยฉันเลยทําทุกอย่างให้มันรวยเนี่ยที่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้สะสางความแข้นเพื่อนคนนั้นช็อกมากมากจริงเหรอฉันเคยไปพูดอย่างนั้นแกเมื่อไหร่ก็แกพูดไงตอนเราเล่นวอลเลย์บอลจนใหม่นุ่ะเพื่อนคนนั้นพูดเสร็จแล้วก็ลืม เพราะอยู่กับปัจจุบันแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่อยู่กับอะไรอยู่กับอดีตตลอดเวลาแล้วเอาคําดูดของเพื่อนมาทิมตัวเองทิมทิมทิมทิมทิมไปแล้วสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตหวังว่าจะเอาชนะเพื่อนพอวันที่ตัวเองชนะไปบอกเพื่อนเพื่อนกับลืมไปแล้วเห็นไหมมีคนอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่มีชีวิตแต่ว่าไม่มีจีตวิาณเขายืนอยู่ตรงนี้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 แล้วก็อยู่กับความรู้สึกผิดนั้นไม่จบไม่สิ้นทำแทงครั้งเดียวแต่ทุกปางตายนับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่าทุกครั้งที่เธอคิดถึงก็เหมือนถูกมเมฆแห่งความทุกข์นั้นกรีดเข้าไปที่ก้วงหัวใจเธอทำแทงจริงๆครั้งเดียวแต่เธอทุกข์เพราะความคิดนับแสนนับหมื่นครั้งก็เพราะเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ตรงนี้แต่หลุดเข้าไปในอดีตนั่งอยู่ตรงนี้แต่หลุดเข้าไปกังวลถึองอนาคต ฉนั้นจึงมีใบหน้าที่หม่นหมองคลองเศร้าอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิเราตัดกรรมได้มันตัดได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อเราตัดความคิดได้เรามาอยู่กับลมหายใจทําอะไรอยู่เราอยู่กับสิ่งนั้นทุกเรื่องที่คิดทุกจิจที่ทำทุกคําที่พูดทุกอุรยายบทที่เคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวความคิดมันจะเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมจิตของเรานี้มันทํางานทีละขณะนะมันคิดได้ทีละเรื่อง พระพุทงทรงค้นพบเคล็ดลับตรงนี้ว่าจิตทํางานทีละเรื่องจิตจะต้องเกาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นอาหารของจิตทีละเรื่องทีละเรื่องฉะนั้นขณะใดก็ตามที่จิตเรามีความรู้สึกตัวความเศร้าก็ไม่อยู่ตรงนั้นอดีตก็ไม่อยู่ตรงนั้นอนาคตก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดก็ตามที่จิตเรามีเมตตาความโกรธก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดก็ตามจิตของเรามีความใจกว้างมีความอารีอารอบ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 เราไม่ใช่คนที่แตสรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงทําผิดทำพลาดทําถูกปนกันไปหมดเพราะเราคือมนุษย์เห็นไหมพอเธอเข้าใจต้นเหตุแห่งความผิดพลาดของเธอว่าเพราะเธอเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิลเลสไงมันถึงไม่สามารถเอาดีได้ทุกเรื่องนะพอเธอนักรู้อย่างนี้จิตของเธอนั้นหลุดพ้นเลยที่เคยทุกข์มาทั้งหมดเนะมันเปลี่ยนคุณนะภาพกลายเป็นความสุขทันตาเห็นนะทุกเท่าไร่สุขเท่านั้น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 มันประเสริฐได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์เราจะพบสุขจำถ้อยคำนี้ให้ดีๆนะเห็นทุกข์จะพบสุขนะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของธตรมาภพที่ยุโรปเนี่ยทุกข์จมกลมไม่มากเพราะว่าสามีไปมีสามีใหม่พอรู้เรื่องนี้เธอไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วมองดูสาระรูปตัวเอง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 พี่รับได้ก็รับไปแต่น้องรับไม่ได้น้องขอเลิกสามีก็บอกว่าอย่าเลิกถ้าเลิกสังคมก็รู้กันทั่วสีว่าผมเป็นใครเห็นไหมเวลาที่เราแต่งงานเราไม่ได้แต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนะเราแต่งกับสถานภาพแต่งกับหน้าตาแต่งกับชื่อเสียงแต่งกับอาารคหฐานทางสังคมเยอะแยะมากมายผู้ชายไม่ยอมเลิก จะทุกตรมข่อมไม่มาปุ๊กแล้วทุกเอกแทบล้มระดาตายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งสามีก็ถูกหักหลังสมสานกลับมาหาเธอมาดูแลเธออย่างดีดีจนกระทั่งเธอตกใจเธอบอกว่าพอได้แล้วพี่ๆี่อย่าทำขนาดนี้พี่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่หรือผมต้องทำเพราะผมเกิดการเปรียบแทบแล้ว ว่าคนที่ดีต่อผมที่แท้จริงคือคุณและตั้งแต่นั้นนะเธอได้สามีคนใหม่คืนมาเลยเพราะเขาเกิดการเปรียบเทียบแล้วว่าภรรยาคนนี้ดีที่สุดเธอบอกว่าทุกข์แค่ไหนเขาคืนมามากแค่นั้นคนคนเดียวกันนั่นแหละทาให้ทุกข์จนเกือบจะฆ่าตัวตายพอเปลี่ยนไปไปในคนก็คนค น, คนเดียวกันนั่นแหละทาให้เหรือน ด, ดีใจและมีความสุขดังหนึ่งขึ้นสวรรค์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 เข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราอยากกินสเต็กเนื้อสันนะตอนอยากเนี่ยอยากตอนกินก็อร่อยอร่อยพออร่อยแล้วเกิดเนื้อติดฟันขึ้นมาอยากจะแคะทิ้งซะงั้น <c oughs> <c oughs> ก็ไหนว่าอร่อยไง <c oughs> พออิ่มแล้วแค่ทิ้งเลยติดนิดเดียวก็ไม่ยอม <c oughs> <c oughs> นี่หรือความสุข <c oughs>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 ว่าที่หมอออกเสียงกันอยู่นี่ไม่ถูกต้องนะอาตมาเช็คแล้วหมอเอาอ ก, กลับไปเช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่าหมอผิดกันมาโดยตลอดเห็นไหมกลายเป็นว่าตอนที่ป่วยนั่นแหละท่านได้ปัญญาคนพบปัญญาพระรูปนี้เป็นอรชรยะรูปหนึ่งของไทยท่านอ่านพจนานุกรมจนกระทั่งค้นพบคาผิดในพจนานุกรมของฝรั่งแล้วเขียนจดหมายไปแจ้งจนฝรั่งเขาแก้เลย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 เห็นอย่างนี่คือโลกทัศนัแห่งความสุขมองความป่วยเป็นครูมองความป่วยเป็นโอกาสต่างกับบางคนบางคนพอป่วยปับ๊บคิดให้ตัวเองเจ็บช้ำน้าใจมีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาธรรมภาพเธอป่วยหนักด้วยมะเร็งโทรศัพท์มาพระอาจารย์โยมขอถามหน่อยมันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของโยม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 อดามาก็คิดในใจว่าแล้วมันเรื่องอะไรของพระเห็นไหมนี่คือคิดไม่ทุกเราทุกทางกายมากพอแล้วแต่เราเติมความทุกข์เราหาลูกศรแห่งความทุกข์ดอกที่สองมาเสียบอกตัวเองเพราะเราคิดไม่เป็นต่างกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งพอป่วยปั๊บตัดสินใจลาออกจากงานมาฟื้นฟูดูแลสุขภาพ เคยทำงานหนักเธอเลิกทั้งหมดเธอทำตรงกันข้ามกับทุกอย่างที่เคยทำมาปรากฏว่าเธอเอาชนะคำทำนายของหมอหมอบอกว่าอยู่ได้เต็มที่หนึ่งปีเขาอยู่มาตอนนี้เกินสิปีและยังเขียนหนังสือคู่คู่มือฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยโรคมะเร็งกลายเป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเห็นไหมเรื่องเดียวกันทำให้คนหนึ่งทุกซ้ำทุกซ้อน เรื่องเดียวกันทำให้คนหนึ่งสุกซ้ำและสุกสอนเพราะวิธีคิดที่ว่ามองทุกอย่างเป็นครูนี่ก็เป็นวิธีปรุงใจให้เป็นสุกอีกแบบหนึ่งนะเอาทีนี้มาถึงวิธีสุดท้ายเท่าที่เวลามหน่อยวิธีสุดท้ายของการปรุงใจให้เป็นสุกคือการแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆและคนดีๆเรามานั่งปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรามองดูหน้าเพื่อนเรา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 เราออกไปเดินจงกรมท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติที่นี่สวยงามไหม<ช>อากาศดีไหม<ช>หายใจเต็มปอดไหมเห็นไหมว่าสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกดีไหมแล้วทุกวันเนี่ยเราอยู่ที่บ้านหูเราเนี่ยเสียบหูฟังเปิดเพลงบ้าโบโคแตกกระแทกกระทัน ปังคนเดียวไม่พอกัะเทืกเท้าให้คนอื่นดูด้วยมันอยู่คนเดียวแล้วตกกลางคืนก็ดูละคร น, นำน่องทั้งตบทั้งจูบอิดฉาตาร้อนดูคนเดียวไม่พอกลัวไม่เหมือนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเธออีกห้านาทีมาแล้วนะให้เพื่อนเ n e าไปด้วยกันเต็ไปด้วยหมดรพิด ก็อนอนกับสามีก็ไม่เคยพูดดีๆต่อกันพูดดีกับคนทั้งโลกเทคแค่คนทั้งโลกแต่กับคนใกล้กันตาแกนอนนอนได้แล้วพอรุ่งเช้าเราตื่นก่อนแทนที่จะหอมสามีสักฟอดหนึ่ง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 หมานอนอยู่บนโซฟาเดินไปลูกกินข้าวดูแลหมาอุม้มไปกินข้าวเสร็จไปหาแมวแมวนอนอยู่บนเตียงด้วยกันเมื่อคืนโถๆโถวโถหัวของแาวโอ้แมวมาหอมถ่ายรูปอัพเฟซบุครูปแรกของวันแต่กับสามียังไม่ตื่นอีก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 ถูกดึงดูดด้วยสิ่งไม่ดีง่ายเหลือเกินฉะนั้นทางหนึ่งที่จะทาให้สุขภาพจิตเราดี did, คือจงรายล้อมตัวเองด้วยคนดีและสิ่งแวดราราล้อมอที่ ด, ด, นะ ด, ดีถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยวสิ่งที่ดีๆนะเราจะเห็นผลมันชัดเจนเลยทีเดียวถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยความสงบเราสงบถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยความรุนแรงเราก็จะเก็บรับซึมซับดอกผลของความรุนแรงเหมือนกันฉะนั้นทุกวันนี้เรารายล้อมตัวเองด้วยอะไร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 เห็นด้ยอย่างว่าเรากินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นกินจึงไม่ได้มีความหมายแคบแค่ว่าหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ปากเท่านั้นนะแท้ที่จริงเรากินตลอดเวลาเลยกินทางตาหูใจหมอกลิ้นกายใจทางตาหูใจหมอกลิ้นกายใจแล้วเราป้อนมันทุกคืนทุกวันกินอยู่ตลอดเวลาเพราะกินอย่างไรเราก็จะทายเทยออกมาอย่างนั้นแหละถ้าเรากินความสงบการเราสงบใจเราสงบถ้าเรากินความรักเข้าไปเราจะรักคนทั้งโลก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 วิธีการก็อย่างที่กล่าวมา3ประการนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน2มองทุกอย่างเป็นครูและ3รายล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆคนดีๆและพลังงานดีๆ3ประการนี้ใครทำได้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมือ่อ เอาละเช้านี้ก็คงจะยุติธรรมะบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกเราทุกคนเก็บรับซึมซับสิ่งดีๆทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขให้มีความเจริญในชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอลัััับตางงเเเธธออออททีี่่รกกขพพนยยูค นั n g hai sabai, phon klay chi wan na bat juban yat yong t